สิกขาบทที่สิบพิษุณีร้องไห้ทุบตีตนเองต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ร้องไห้ทุบตีตนเองต้องอาบัตปาจิตตี 2. ทุบตีตนแต่ไม่ร้องไห้ต้องอาบัตทุกกดรัตันทะการวักที่สองจบ